นี่เรารู้ทันมันไปเรื่อยใจเราดีใจเราไม่ดีนะใจเราสุขใจเราทุกข์หัดรู้อย่างนี้แหละมากๆแล้วมันจะเปลี่ยนไปจิตนะใจเราจะยกระดับตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่องธรรมะเราไม่ได้คิดเอาเราคิดไปแล้ว เ, เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ตรงนี้ใช้รู้เอาไม่ได้คิดเอา มีความสุขเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกว่าความสุขมาอย่างไงความสุขไปอย่างไงทำไงความสุขที่อยู่เนี่ยหรือไปคิดว่าความสุขไม่เที่ยงอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องคิดะอย่าความสุขผุดขึ้นมานะเราก็เห็นต่อหน้าต่อตานมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ต้องคิดอ่ะของจริงมันแสดงอยู่แล้วส่วนความคิดอย่าไปห้ามมันนะบางคนคิดว่าต้องไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไม่ถูก เราไม่ได้ฝึกตัวให้ให้เป็นคนพิการคิดอะไรไม่เป็นอยากคิดอะไรก็คิดนะแต่ว่าถ้าคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดลบโดดหลงให้รู้เราจะรู้อะไว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปบางคนบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนนะว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคําว่าคิดเนี่ยไม่มันคนละระดับกันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้อันนี้เป็นสภาวะตอนที่เราดูความเกิดดับของความรู้สึกของร่างกายของอะไรเงี้ยเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้เฉยๆแล้วก็มันก็ดับให้ดูมันแสดงใจรักให้ดูตัวนี้ไม่ต้องคิดเอาหลวลงปู่ ด, ดูลบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ประโยคที่3นะแต่ก็ต้องอาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราคิดอยู่ตามบรรดา น, นี่เองแค่เราคิดทั้งวันอยู่แล้วละ่ะ แต่คิดแล้วเกิดความสุขให้รู้ไม่ต้องไปคิดต่อว่าความสุขไม่เที่ยงความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรงี้ไม่ต้องคิดเลยดูของจริงความคิดไม่ใช่ความจริงความคิดเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาถูกบ้างผิดบ้างแต่ความจริงยังไงก็เป็นความจริงอย่างความสุขทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนี่เป็นความจริงแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ดูของจริง ใจก็คิดไปคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วนะรู้เอารู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะเอาต่อไปใครจะถามเมื่อวานมันฟุ้งน้อยลองอะครับแล้วก็มีสังเกตใจว่ามันกระวนกระวายตอนนั่งแล้วมีเวทนาครับ แ ต, แต่ก็บางทีก็คิดน้ำว่ามันก็เป็นแค่ขันที่ไปแทรกอยู่ในกายเลยนะครับได้แรกๆสอนมันก่อนก็ได้สังเกตไหมว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนามันมาทีหลังแทรกเข้ามาเจ็บปวดใช่ไหมพอปวดมากๆใจมันกระวนกระวายมันก็กระวนกระวายกับความเจ็บปวดก็โคละ อ, อนกันใช่ไหมมันมาทีหลังมันอยู่ที่ใจความเจ็บปวดอยู่ในร่างกายความทุรนทุรายจะอยู่ที่ใจโคนละอน ใจเป็นคนดูนี่เป็นอีกอันหนึ่งนี่หัดแยกไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ต่อไปก็แยกขันชํานานนะแยกขันได้แล้วแต่ละขันนะั่นแหละจะสอนธรรมะเรานะถ้ายังแยกขันออกมาไม่ได้เดินปัญญาต่อไม่ได้หรอกช่วงแรกคือคิดนําไปเลยนะได้<ช>คิดนําไดนะ้เป็นอุบายคิดนําเพอจิตมันเคยมองในมุมของการที่จะแยกออกไปแล้วเนี่ยต่อไปมันมองเองถึงขั้นที่มันมองได้เองแล้วไม่ต้องไปคิดละ เบื้อต้น่ะคิดก่อนก็ได้แค่เรียกหลวงพ่อพุธ ท, ท่านใช้คาว่าคิดนำร่องให้จิตมันดูนะจนถึงตอนที่จิตมันดูเป็นก็ไม่ต้องคิดแล้วของจริงมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาและไปหัดแยกขันนะขอบคุณครับคลายขึ้นกว่าเมื่อวานนี้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เมื่อวานหลวงพ่อถามว่าได้ดูพระจารย์หรือเปล่าอะคะ่ะ แล้วจริงๆแล้วหนูตอบไปว่าเออไม่ได้ดูแต่ว่าได้ยินสสิงพูดแต่ว่าจริงๆแล้วมันเห็นแว บ, บหนึ่งหนูก็เลยมาบอกหลวงพ่อเพราะว่าหนูกลัวว่าเดี๋ยวพูดไม่ตรงแล้วเมื่อคืนเห็นไหมเ <c oughs> มื่อคืนออกมาเดินไหมไม่ได้เดินนะคะกลัวยุงกลัวอะไรนะยุงกลัวยุงยุงมีแต่หัวค่านะดึกๆจะยุงไม่อยู่แล้วหนาวว ที่หลวงพ่อถามว่าเห็นพระจันทร์ไหม เ, เพื่อจะบอกพวกเราไหนๆมาอยู่วัดทั้งทีนะมาดูในสิ่งซึ่งคนกรุงเทพไม่มีอ่ะว่ากรุงเทพไม่มีดาวไม่มีพระจันทร์ไม่มีอะไรหรอกพระจันทร์ก็เหี่ยวๆซีดๆมองมองไม่ค่อยเห็นนะที่นี่กลางคืนนะถ้าไม่มีเมฆนะอุสวยมากเลยดาวเต็มฟ้าเลยนะเราจะถามหลวงพ่อเรื่องสมาธิอะคะ่ะอมเมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิแล้วก็ ออคือนั่งแล้วแล้วมีความสุขแล้วก็ไปไปไปมองดูแสงแต่ว่ามมไม่รู้ว่าตัวเองตามแสงหรือว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ได้บังคับแต่ว่ามันจะบนไปบนมาตรงออตรงนี้ไม่มีประโยชน์นะให้ย้อนมาที่จิตงั้นไปเห็นแสงแล้วจิตพอใจก็รู้จิตสงสัยว่าจะทำยังไงดีก็รู้เนะี่ยให้คอยรู้ทันจิตไปเวลานิมิตแสงสีเสียงใดๆเกิดขึ้นย้อนมาดูทันจิตไว้ แล้วหลังๆก็เลยแบบเหมือนก็ไปบังคับว่าอุ๊ยพอเห็นแสงแล้วอาจจะผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอ๋อนะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ทันจิตตัวเองถ้าเห็นก็นั่งพอถ้าเห็นก็รู้ทันรู้ทันใ จ, จของเราใจชอบก oh. ็รู้ใจไม่ชอบกรู้อย่างี้แล้วอย่างนั้นเธอมุติว่าถ้าแสงเออดับหรือไ ม, ไม่ดับก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะหลวงพอ่อของข้างนอก oh. นะเอาของข้างในของในจิตเรานี้ยแหละ oh. เกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตนี ตามแสงไปไม่ดีหลวงพ่อทำตั้งแต่เจขวบนั่งไปแล้วแปบ๊บเดียวกันนะไม่นานหรอกเพราะมันเด็กครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพูทไทยใชจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับ2องอะไรเงี้ยนับไปนับไม่นานสว่างสว่างแล้วไปดูที่สว่างนะใจมันอยากเห็นเทวดามันก็ไปเลยนะออกนอกไปเลยแล้วก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์ใจรู้สึกไปดูแสงสว่างไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลย แล้วหนูต้องกลับมาที่พอ น, นั<า>้นกลับมาดูที่ร่าูกายถ้าเราใจเราสว่างมาดูกายบางทีกายระเบิดเลยนะกายสลายไปบางทีกายเน่าเปื่อยแตกสลายหรือไฟไหม้กายไปไม่ต้องตกใจใจเราเป็นคนดูพอกายหมดแล้วนะเหลือแต่ใจอันเดียวก็ อ, อยู่รู้สึกตัวไปสบายๆไม่เคลอบเคลิม้มนะพอสมาธิถอยออกมามีร่างกายขึ้นมาปุ๊บ ใจจะรู้สึกอย่างชัดเจนที่สุดเลยเว่ากายกับใจนี้โค่นละนกันนับแต่นี้ขันจะแยกแะ้วเป็นวิธีแยกขันอย่างหนึ่งคือสลายกายไปหมดเลยจะเหลือแต่จิตอันเดียวพอกลับมามีกายเนี่ยมันจะรู้นะว่ากายกับจิตเนี่ยโคละนกันมาวันแรกรู้สึกไม่ไม่ค่อยรู้สึกตัวคะ่ะมัววันนี้รู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาปล่อยป่งขึ้นคะ่ะแล้วก็เราไม่เอาเบาหรอกนะ เราแค่ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเมื่อวานอย่างนี้เปลี่ยนมาวันนี้อย่างนี้แต่เราไม่ดูเทียบคนละวันนะเราดูขณะเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อหน้าต่อตาดู อ, อ, อย่างนี้แหละก็เมื่อคืนลองลองมานั่งที่ศาลาค่ะรู้สึกว่าความง่วงไม่ค่อยมีแต่ว่าจะฟุ้งซ่านแล้วพอสงบนิดนึงมันจะมีความอยาก อย่างที่จะดีมันก็เลยทำให้หไม่ไม่ค่อยดีอะค่ะแล้วก็เมื่อเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าเหมือนว่าใจมันติดอยู่กับกายอะค่ะกายมันอยู่ส่วนหนึ่งแล้ ว, ลวใจเรามันเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายนนนนถูกต้องค่ะรู้สึกว่าเรียกไหพุทธเจ้าเคยบอกนะกายเป็นครูหาเป็นถ้ำจิตอยู่ข้างในค่ะ รู้สึกว่าเรายึดความเป็นกายน้อยกว่าใจอะคะ่ะรู้สึกว่าอะไรก็ต้องอยากให้ใจมีความสุขมากๆถึงจะถึงจะอยากเอาเข้ามาหรือผักสายมันเพก่อความสุขใช่ค่ะตั้นแต่มันดิ้นอยู่แค่นั้นแหะดิ้นหาความสุขดินน้นหนีความทุกข์ตันหามีเท่า น, นั้นเองคือตัวตันหาเองก็เป็นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะใช่มันก็อยู่ในกองขัน หมวกหนึ่งอะมันเป็นตัวทุกข์แต่บทบาทของมันเป็นตัวสมุ ท, ทยัยตัวมัน้วตัวทุกข์เหมือนกันตัวมันก็เป็นทุกข์เราก็รู้มันเพราะมันเป็นทุกข์ใช่แล้วหนูพอกันบ้านไปภาวนาต่อค่ะอย่ารีบร้อนนะภาวนาไปสบายๆดูไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครว่าก็ทำได้นะไม่ใช่ต้องบวชหรอกครว่ า, า, วาก็ภาวนาไป เป็นคราวาสก็มีข้อดีผัสสะมันเยอะการกระทบอารมณ์มันแรงดูง่ายถ้าดูเป็นนะถ้าดูเป็นเนี่ยไม่ได้ช้ากว่าพระเลยแต่แรงจะไม่ค่อยมีค่ะก็ ถ, ถกทุกวันต้องทำถึงจะได้มีแรงค่ ะ, ะมีแรงรเป็นผู้หญิงนะหลวงพ่อว่าทุกวันนี้เราบวชยากนะอย่างบวชถ้าอยากบวชภิกษุณีต้องไปบวชแบบของจีนไปของเขาอย่างมีอยู่ ภิกษุณีแบบเถรวาดมันไม่มีหมดไปนานแล้วนะกลับมาบวชอีกก็คล้ายเป็นของปลอมปลอมมันไม่ได้ถูกต้องตามธรรมวินัยนี่มาเร็วเลยนี่ก็มีเป็นนิมนต์พระลังกามาบวชให้คนละนิกายนั่นนิกายอมรปุระไม่ใช่สยามวง มันไม่จำเป็นหรอกที่เครื่องแบบอยู่ที่ว่าดำเนินจิตถูกต้องไหมแต่หลวงพ่อก็เห็นใจนะผู้หญิงเขาก็อยากบวชเป็นภิกษุณีจุดสำคัญนะอยู่ที่ใจนี่แหละแต่อยากบวชก็ไม่ว่าเลยเพราะคณะสงฆ์เขายังเฉยๆไม่เกี่ยวนะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะเราต้องการพ้นทุกข์ต้องการตัวนี้ต่างหากนะ เครื่องแบบไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกนะเครื่องแบบมันเป็นเรื่องทางสังคมนี่ถ้าเราบวชแล้วต้องต่อสู้เรื่องสิทธิสรตรีตลอดเวลานะมันพอนายากมันต้องคิดต่อสู้ตลอดสู้อยู่บ้านเราพอนาไปเงี้ยสะดวกกว่าไปบวชชีก็ลำบากไปเป็นชีนะหลายวัดเลยเป็นคนใช้ คนใช้ของพระพระดีก็ดีไปพระไม่ดี ม, ดมันปล้ามเมาซื่อิง mm hmm. mm hmm. อยู่บ้านเราภาวนาะดีบางคนมีเงินเยอะๆก็อยากตั้งสํานักตั้งสํานักอย่ากสร้ตั้งสำนักปฏิบัติตั้งสํานักตั้งสำนักเนี่ยภาระเยอะนะแล้วตัวเองจะไม่ได้ภาวนาก็ยุ่งอีก ้นถ้าเรารู้ว่างานหลักของเราคืออะไรในชีวิตนะเพราะน้าเลยลุยไปเลยนะส่วนข้างหน้าจะไปอยู่ในรูปแบบอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่สำคัญหรอกสำคัญเอาปัจจุบันให้ได้ก่อนนะที่พูดเรื่องนี้เพราะนี่เขาเป็นแม่ชีเก่าเขไม่อยากศึกไมต้องศึกไปอยู่ทางโลกนะใจก็เศร้าหมองตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วละแต่จริงการปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรอก เอาใครจะคุยกับหลวงพ่อตอนนี้ก็รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อเห็นไม่ไกลกับใจคนละอับเห็นออกยังครับเห็นได้ก็ใช้ได้ละต่อไปก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทางานไปความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งวันเราก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าเกิดแล้วก็ดับไปนะ ฝึกตัวอย่างนี้เ oh, <yeah. S 1> ลยอ๋อครับหลวงพอ่อ您好เขาถามว่าเมื่อกี้ตอนเช้าหลวงพ่อเทศถึงใช้ความคิดนำนำทางครับ uh huh. ใช้ความคิดคิด เ, เป็นตาลักษณนำโล่งครับ uh huh. เขาถา ม, มนะเขาถามว่ า, าจริ ง, รงๆเวลาใช้ความคิดก็มีเจตนาอยู่ครับ <laughs> ใช่ใช่ คือถ้าหากมันเห็นความรู้สึกเห็นร่างกายอะไรทำงานได้แล้วเนี่ยไม่ต้องคิดนาการคิดนำเนี่ยจะใช้สำหรับคนซึ่งมันไม่เห็นนะถ้าเห็นแล้วไม่ต้องคิดอย่างเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับถ้าแบบนี้ไม่ต้องคิดละแต่ถ้ายังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยใจแล้วม่รู้สึกตัวแล้วมันก็ยังไม่เห็นรู้สึกตัวอยู่เฉยๆย้ก็ต้องค่อยๆหัดพามันดู เราก็สอนตัวเองเนี่ร่างกายกำลังหายใจออกใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนรู้ค่อยๆบอกมันร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนรู้นะตั้งใจยิ้มยิ้มหวานๆนี่ร่างกายยิ้มใจเป็นคนรู้จะค่อยๆฝึกนะสอนมันไปเรื่อยเรื่อยความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าไม่ใช่ใจเราหรอกอนะไรเงี้ยแรกๆอาจจะต้องสอนสําหรับบางคนนะต้องสอนต้องคิดนํา แต่ถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดละดูของจริงไปเลยเขาเพราะว่ากเขาเห็นต่รักไม่ใช่เห็นทุกครั้งครับอ๋อถูกแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นได้ทุกครั้งนะเห็นได้บางครั้งก็ดีแล้วเวลาที่เราเห็นกายเห็นใจนะแต่ยังไม่ได้เห็นใจรักเนี่ยยังไม่ได้เป็นวิปัสนายังไม่ได้เป็นปัญญาแต่ตอนที่มันเข้าใจใจรักขึ้นมามันเป็นปัญญาปัญญานานๆเกิดทีหนึ่งนะไม่ได้เกิดตลอดเวลา เวลาที่เราเห็นร่างกายตรงนี้เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสนานะหรือเราเห็นจิตมันสว่างว่างๆอยู่อย่างเงี้ยเป็นสมถนะตอนที่เราเห็นมันเกิดดับใจมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัส น, นา น, นานาเกิดทนะีแล้วต่อไปจะเกิดได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นท่านถามว่าเวลาจงกรมอยูออ่รู้กายเครื่องไหวใจเป็นเป็นผู้ผู้ดูท่านถามว่านี่คือ สมัทฐานหรือวิปัสนาครับตอนที่เห็นร่างกายกายใจเน่นะมันเริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาเป็นปัญญาขั้นต้นนะมันมีชื่อนะแต่ไม่รู้ภาษาจีนจะแปลงไงเขาเรียกนามรูปปริเฉยทยานแยกรูปกันนามแยกกายใจออกจากกันนะยังไม่ขึ้นวิปัสนาตรงที่ขึ้นวิปัสนาเนี่ยเราเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอันใดก็ได้ จะเห็นกายก็ได้เห็นจิตก็ได้เวลาเห็นกายอาจจะเห็นแค่มันเป็นทุกข์อย่างเดียวก็ได้นะไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ได้ดูจิตอาจจะเห็นเนีจิตไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูทั้งสามอย่างไม่ต้องดูใจรักทั้งหมดดูันเดียวเพะการที่เราเห็นกายเห็นใจเนียเป็นจุดตั้งต้นที่จะไปเจริญวิปัสสนาเป็นปัญญาเบื้องต้นตรงที่เราเห็นกายเห็นใจมันแสดงใจรักน อันนั้นเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นกายเห็นใจอยู่อย่างเนี้ยเราขยับอยู่เรารู้สึกว่ามันขยับอยู่นะรู้สึกอยู่แล้วใจเราเฉยๆอยู่รู้สึกเฉยๆอย่างเนี้ยยังไม่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเรารู้สึกเฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่เรานี่ยมันรู้สึกขึ้นมานะอันี้มันไม่ใช่เราเลยอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่เห็นไม่ใช่เราเห็นอนัตตา ท่านถามว่าเวลาพูดคุยกับคนอื่นท่านจะหงงง่ายครับแต่ท่า น, านพยายามฝึกอยู่แต่ทาไม่ได้ครับเงั้นเราพูดเท่าที่จำเป็นนะพระเจ้าสอนนะขั้นต้นเลยไม่คลุกคลีถ้าเรายุ่งกับคนมากพูดมากดูยากเราฝึกจนเก่งก่อนนะคุยกับใครก็ไม่ลหลงหรอกเป็นปกติหรอกยุ่งกับคนคุยกับคนก็ฟุ้งง่ายนะต้องฝึกกันนาน ันเรายุ่งน้อยๆพูดเท่าที่จำเป็นหลงวงพ่ี้好เขาชอบอ่านหนังสือเซนครับเขาวันนี้ใต้เย็นหลงพ่อพูดเรื่อง่นเซนครับเขาถามว่าเวลาเขากลับไปประเทศจีนแล้วเขาอ่านหนังสือเซนหรืออ่านสุดภัดไดปิต่อได้ไหมครับได้ได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งการเจริญสติ นะไม่งั้นบางทีอ่านหนังสือเซ็นไปนะใจจะว่างๆสบายๆแล้วก็คิดว่าแค่นี้พอละให้คอยเจริญสติไปดูกายทางานดูใจทํางานไปหนะังสือเซนอ่านไว้พักผ่อนก็ได้แต่ว่าพอเราพาวนาเป็นแล้วเราจะเข้าใจนะอย่าเข้าใจเซนเองหลวงพ่อแต่ก่อนก็อ่านหนังสือเซ็นตอนอยังพาวนาไม่เป็นอนะ่นะอ่านไปแล้วใจมันโล่งมันว่างเลยสบายบอเอ๊ะเราต้องทําใจให้ว่างๆอย่างนี้ละมัง้ง ก็เลยรักษาใจว่างๆไว้เพราะว่าตอนหลังเพราะาไม่ใช่เลยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยได้แต่ว่างๆไปตลอดชาตินะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกายมาดูใจทำงานแนละ้วภาวนาไปเรื่อยใจมันก็ว่างไปเองันีย่ย <Sorry. S 1> เขามีปัญหาอยากจะถามอีกครับ เ, เขาถามว่าคือเวลารู้ความจริงต้องมีสติจิตเป็นกลางและ ตั้งมันงม่นและเป็นกลางครับถ้าเขาถามว่าคือจิตตั้งมั่นและเป็นกลางจริงๆคนเราเกิดมาอันนี้ก็ไม่สมดุลต้องอาศัยฝึกจินสมดุลใช่ไหมครับใช่ต้องฝึกวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะเช่นเรารู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปจิตไม่ตั้งมัน่นเรารู้ทันจิตไม่จะตั้งเองต้องให้ตั้งเองถ้าจงใจตั้งใจแข็งแข็งไปใช้ไม่ได้ฉะนั้นจิตไหลไปเรารู้จิตจะตั้งมั่น นี้พจิตตั้งมั่นแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นเราชอบใจเรารู้ทันมันก็จะเป็นกลางมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ชอบใจเรารู้ทันว่ามันไม่ชอบมันก็จะเป็นกลางขึ้นมาแล้วนะในสุดเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางถ้ารู้ได้อย่างเป็นกลางมันจะเห็นความจริงได้ถ้ารู้แบบมีอคติไม่เป็นกลางก็ไม่เห็นความจริงนะบบนคุณผู้นิยม เขาถามว่าสติก็มีเกิดตบับใช่ไหมครับใช่ใช่บางวันก็มีสตินะบางวันสติหายไปเลยนั้นต้องซ้อมบ่อยๆอยหัดดูบ่อยๆหัดดูความรู้สึกของตัวเองหัดดูร่างกายตัวเองบ่อยๆงี้สติถี่จะเข้มแข็งนานๆดูทีนะสติก็หายไปเขาถามว่าหลวงพ่อพูดถึงเยียดขานเยียดทา่าเยียดขานขานปกติหลวงพ่อจะเทศเยียดกายกับจิต เขาถามว่าต้องแยกเวทนา ส, สัญญาสังขารกับวิญญาณไหมครับคือบางคนเนี่ยถนัดที่จะดูกายนะก็แยกกายกับจิตกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วในส่วนของจิตใจเนี่ยมันแยกออกไปได้อีกมันแยกเป็นเวทนาเป็นความสุขทุกข์ก็ไดนะ้เป็นความจําก็ได้เป็นความปรุงดีปรุงชั่วเป็นสังขารก็ไดนะ้เป็นจิตที่เป็นคนดูก็แยกเป็นได้สี่ ในส่วนของร่างกายถ้าแยกให้ละเอียดออกไปนะก็เป็น4เป็นธาตุดินธาต้นะ้ําธาตุไฟธาตุลมแต่ถ้าทางจิตใจแยกออกไปก็เป็น4เป็นเวทนาสัญญ า, าความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็จิตที่เป็นคนดูนะก็แยกได้4เหมือนกันนะเราแยกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่างน้อยต้องมีสองอันมีจิตอันนึ่งกับอย่างอื่นอีกอันหนึ่งแล้วสิ่งที่เราแยกออกไปนะั้นมันจะแสดงความเกิดดับให้ดูได้ อย่างน้อยต้องมีสองอันเช่นกายกับใจมีคู่หนึ่งก็ใช้ได้ละเขาถามว่าเวลานั่นสมาธิจะมีความคิดจะแย่เวทนาสัญญาสังขารเขาถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมครับก็ไม่ต้องไปนั่คิดคือจุดอ่อนของคนนี้เลยนะคือคิดเยอะไปนะคิดเดยอะไปให้รู้ความรู้สึกให้เยอะๆเข้า ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงก็รู้ไม่ต้องไปคิดมากหรอกอย่างโกรธมันเป็นไงเราก็รู้นีช่ชอบใจเป็นยังไงไม่ชอบใจเป็นงไงเราก็รู้อยู่แล้วความสุขเป็นไงความทุกข์เป็นรู้อยู่แล้วไม่ต้องคิดเดยอะหรอกคิดเดยอะไปคนเนี้ยนะมันง่ายๆนะคิดมากมันจะยากเอ่อหลวงพ่อ您好เขาบอกจริงๆคือปีนี้เขาจะได้ยินหลวงพ่อจะไปเอ่อ เทที่ประเทศจีนแต่สุดท้ายหลวงพ่อไม่ได้ไปพวกพวกคนจีนเยอะมากจะผิดหวังแต่เคยใต้เย็นหลวงพ่อเทศว่าจะไม่ได้ไปอินเดียกับอเมริกาอีกต่อไป <c oughs> เขาอยากจะขอหลวงพออ่อ <c oughs> อย่าปิดโอกาสไปประเทศจีนครับก็ <c oughs> ไม่ปิดหรอกประเทศจีนไม่ผิดหรอกแต่ว่าประเทศจีนมันใหญ่มากนะ งั้สิ่งที่หลวงพ่อมองเนี่ยสมมติาหลวงพ่อไปเทศที่เมืองเมืองหนึ่งนีคนที่เดินทางมาได้ก็มีไม่มากอ่ะแต่ทางที่ดีนะสองนั่งแปลแล้วเอาไปลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูได้ทั้งประเทศเลยนะ <c oughs> มันไปได้มากกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารมันมันเยอะนะมันไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณนะตักมอต้องเดินจากอินเดียไปสอนเมืองจีนสอนได้ไม่กี่คนหรอกเพราะแผ่นดินมันใหญ่ใช่ไหม หรือพระถังซัมจังเขาต้องเดินมาเรียนที่อินเดียถ้าเป็นยุคนี้เหรอพระถังซัมจัง๋งแกก็กดอินเทอร์เน็ตอา่านหมด ล, ล้นารันทาว่าอะไรบ้างใช่ไหมคื อ, <c oughs> คอทเทคนโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วนะไอ้เรื่องนั่งหรือบินไปมาเนี่ยมันเรื่องล้าสมัยแล้วลนะ่ะต่อไปมันคงเป็นระบบเรียกเทเลคอนเฟรนท์นะนะคุยกันได้อนะนะอาจจะเทศผ่านจอ อย่นะั้นมันเทศทีเดียวได้ทั้งประเทศจีนเลยเราอย่าไปติดเรื่องว่าต้องเจอหลวงพ่อนะคือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันช่วยให้เราใกล้ชิดกันคนแต่ก่อนนะเดินทางคนจีนอพยพมาเมืองไทยอ่ะนั่งเรือมาเป็นเดือนเลยกว่าจะถึงเมืองไทยกว่าจะส่งจดหมายกลับไปกว่าจะส่งจดหมายกลับมาบางทีทั้งสามเดือนกว่าจะรู้เรื่องกันทิ้งเดี๋ยวนี้เหรอไลนา์ได้ตลอดวันเลยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วละ่ะนะ ดูทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละสะดวกดูวิดีโอหลวงพ่อได้นะมีตัวหนังสือให้อ่านขับนมาสับการหลวงพ่อคือช่วงนี้มันปฏิบัติแล้วพอไปทำงานแล้วมันจะรู้สึกอย่าไปมีโทสากับมันขับใช่อย่างนั้นโทสามันแทรกเพราะว่ามันมันรู้จักความดีแล้วพอมันไปทางานแล้วมันเห็น ความชั่วร้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยลใดูหลวงพ่อเอได้แต่หลวงพ่อปรุงอ่านไปทา้งไหนเห็นแต่กิเลสเหรอใช่ครับนะแต่เราก็ดูมันไปโล่งก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนเขาก็อยากดีนะแต่เขาสู้กิเลสไม่ได้เขาก็เลยทําผิดบางคนมันก็ชั่วโดยสายเลือดหมายถึงชั่วมาแต่กําเนิดแต่ชาติก่อนๆพวกนี้ก็แก้ยากบางคนสถานการณ์บีบคั้นให้ชั่วอย่าไปเกลียดเขานอ ใจเรามีโทสะเองอะครับตั้งแต่แปดโมงยันห้าโมงเย็นนี้มันเจริญปัญญาจนเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันนั่นแหละมันเห็นทุกเห็นโทษดีนะครับช่วงที่หลวงพ่อพาวนาได้เข้มแข็งที่สุดเลยนะคือช่วงที่ทำงานแล้วก็ยุ่งมากเลยต้องยุ่งโดยเฉพาะยุ่งกับหัวหน้านี่แหละเล ย, ยพาวนาขยันขันแข็งมากเลยใจนี้ฉลาดมากดูตลอดเลยไม่ดูไม่ได้ มันเครียดครับใช่ครับนั่นแหละดีมีความทุกขดีต่อมาย้ายงานนะย้ายไปอยู่ TOT เนี่ยเงินเดือนก็เยอะตําแหน่งก็ใหญ่นายก็ดีอะไรเงี้ยภาวนาไม่ได้เรื่องเลยวันวั น, ว, นว่างๆแล้วล่ะทํางานแปบเดเสร็จแล้วนะมันนั่งเขียนกระทู้ทางอินเทอร์เ น, น็ตทําให้ผลนะต้องมันนั่งสอนอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีกลับมาเนี่ย มันทําอะไรไม่ได้แนละ้วหลวงพ่อได้แต่ว่าวหลวงพอ่ อ, พอใช้วิธีนี้นะหลวงพ่ อ, พอตั้งแต่เช้าทําก่อนแล้วก็เวลานั่งรถไปทํางานก็ภาวนาไปถึงเวลาทํางานก็ทําไปถึงเวลากินข้าวของวันก็ได้ภาวนาอีกแล้วเดินเวลาเดินไปห้องน้ําก็ได้ภาวนาอะไรย่างเงี้ยเวลาขึ้นรถกลับบ้านก็ภาวนาถ้าเราทํามาทั้งวันเนี่ยตกค่ําเราจะไม่กระปดดกระเปี้ยถ้าทั้งวันเนี่ยโทสะครอบนะ ตกเย็นมานั่งภาวนาภาวนาไม่ไหวหรอกมันก็ปวดก็เปรี้ยวไปแล้วหมดเรี่ยหมดแรงใช่ครับให้เก็บเล็กเก็บน้อยในแต่ละวันนะไม่ทําให้ช้าหรอกครับส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะปฏิบัติมาได้ประมาณสองสปีเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน <c oughs> เห็นค่ะเห็นไหมว่าโลกนี้ห่างออกไป <c oughs> ๆๆๆๆห่างมากค่ะจนไม่รู้ว่าต้องกําหนดหรือเปล่าไม่ต้องกําหนดค่ะรู้อย่างที่เป็นค่ะ ใจต้องมีเครื่องอยู่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์สั้นๆในใจเราสวดไปเรื่อยๆไม่ต้องนับว่ากี่จบหรอกเช่นะนโมตัสสะภะคะวะตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะว่างว่าก็สวดไปเรื่อยๆสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นนะสมาธิไม่พอมันเดินปัญญาต่อไม่ไหวพอดีมันมีเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์หนึงเลยคะมันก็เลยทําให้หนุ่มไมค้าที่จะทําสมาธิต่ออ๋อเหรอไม่ต้องทําสมาธิลึกๆนะ สวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปงแค่นี้ก็พอแล้วขอบคุณค่ะอย่าไปนั่งลึกๆนะเดี๋ยวเพี้ยนไปหนูกลัวมากเลยเออถ้าเยางนันอยู่ข้างนอกนี่สวดมนต์ไปเรื่อยๆมันไม่มีนิมิตนะบางทีหนูก็งงๆนะคะนิมิตมันแบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนนิมิตนะคะต้องต้องให้ตั้งหลักให้ดีนะถ้ามีสติเดี๋ยวสติแตกต้องระวังนะ การวสการหลวงพ่อคะ่ะหนูเขากันบ้านคะ่นะเหรอจิตถึงฐ <c oughs> านหรือเปล่านี่ถามนะไม่ได้บอกอะไรค <c oughs> ไม่ไม่ถึงค่ะเหรอจิตไม่ถึงฐานก็ไปดูซะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันดูแล้วมันยังไม่กลับเข้ามานะอย่าไปดึงดึงแล้วมันจะเครียด <c oughs> ถ้าเรารู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานแล้วมันเข้ามาเองใช้ได้ถ้ามันไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าให้ดูกายไว้เพราะจิตมันมีแรงม่ได้เข้าบ้านเอง <c oughs> นะ ดูออกบ้างไหมว่าขันมันแยกได้ไหมเออนะขันมันแยกได้แล้วก็ดีแล้วไม่ยากอะไรแล้วขงังคือขังหนูต้องปิติก็รู้มีปิติก็รู้มีอะไรก็รู้น ะ, ะรู้ไปได้แต่หนูรู้สึกว่ามันชอบไปเร็วมากเลยค่ะแบบส่งออกค่ะมันเป็นธรรมชาติจิตนะส่งออกอย่างรวดเร็วดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งตับไปทั้งวันทั้งคืนเที่ยวไปอย่างรวดเร็ว งานธรรมชาติของมันนนั้ชอบชอบท่องเที่ยวห้ามมันไม่ได้หลวงพ่อค ะ, อะการที่จิตเข้าถึงฐานนี่เราจะสังเกตยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มันถึงฐานไะรู้จากจิตไหลไหมรู้จากจิตที่เคลื่อนไปไหมจิตส่งออกคเออถ้าเมื่อไหล่มันไม่ส่งออกโดยไม่ได้บังคับมันก็ถึงฐานแล้วคุณค่ะคนสุดท้ายละ กรับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้างค่ะที่สมคะ่ะผ่านมาห้าปีเมื่อครั้งที่สองรู้สึกเหมือน <c oughs> คิดไปเองว่าโดนหลวงพ่อดุอะคะ่ะวันนึง คือพอวางไม่ไม่รู้หลวงพ่อว่าใครอะค่ะแต่คิดว่าหลวงพ่อกําลังดูว่าดื้อแล้วก็ขี้เกียจนะช่วงนี้คือครั้งแรกหลวงพ่อชงเลยค่ะก็เลยแบบพองป่ะคะนี่สองก็เลยห่างมาเลยห้าปีจนครั้งเนี้ยค่ะก็ดูเองว่าเห็นว่าเซลล์เซลล์มันยังจัดอยู่นะคะแล้วก็บางลงค่ะบางทีก็ดูว่าเวลาเวลาเราโดนทุบอัตราอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบมันก็เห็นนะคะเห็นว่าอเนีรย์ไม่ทนได้เวลาจะทุบใครเนี่ยนะ จะทุบแบบประนีตนะกลาว่าทุบแล้วมีประโยชน์ถึงทุบอะถ้าทุบแล้วล้มเหลวไปเลยไม่ทุบหรอกเสียเวลาวันนี้ก็นอนน้อยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจิตแช่มชื่นกระชุ่มก็ะ่วยค่ะสังเกตไหมเดี๋ยวนี้ก็แต่กก่อนใจไม่เหมือนกันใช่ค่ะชัดเจนค่ะดีแล้วล่ะฝึกไปถูกต้องแล้วหลวงพ่อคะกราบขออนุญาตขอโอกาสให้แฟนค่ะขออนุญาตค่ะแฟนเราอุโย กับนมาสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกขอความเมตตาแนะนําครับสังเกตไม่ใกลกระใจเป็นคนละอ่านกันครับสะดวกไหมเนี่ยร่างกายมันก็เคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูเห็นไหมความสุขความทุกข์กับใจเป็นคนละอ่านกันครับไปฝึกน่าฝึกไม่ยากแล้วละมันยากมากเลยกว่าใจจะตั้งมั่นใจตั้งมั่นแล้วก็กว่าขันจะแยกขันแยกแล้วต่อไปก็ดูขันแสดงใจรักษไม่ยากแล้วครับ น่าเชิญกลับบ้านคนจีนก็กลับบ้านได้แล้วนะ